พระธรรมเทศนาจะยกเรื่องนาคเขาคำภูตีสิบเอ็ดเกรียบเปียงใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยอินสมเฉชมภูปเปลี่ยนทาพุกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจวับเชียงหายอา็โมตัศภาเกะวะตวอาราตโตส ม, มาสัมพุทธา โสปิโคปนาโสมตัตราชาปารังปัตตวตีสาธโวดรสะปุริจตังหลายตั้งยิ่งใจม่วนหมู่อันนั่งอยู่น้ำนา จุงจักดาฟังทีเราจากจีจะใครถึงเจ้าหอใจสมมตตราเจ้าภาษาตราณนสีตกนาตีแม่กวางดามวยมางกังหุนขุนอินตนอยู่ฝ้าลิงพอดาจุ่มปูลงมาจู่จวยกำฮือปน้ำวังใส เือแปรไหลไหววาดไปถึงหาดดอนายป้นตั้งตายความนาไก่นังนอลาเตวีไก่สายปุรีนอไทย <c oughs> ดังเก่าวว้หวนังนิยายยังไปแจงพระจริงแสงเตสนาวสพปิขปนาสมตันราชาดังนี้เป็นต้น เพกเวดูราพพกโกตั้งลายตนทารุงสิ้นใสบอ่อเศร้าเจือโคดเงาทารุงยาณส่วนพระผูบ้านสมมาตราดไปรอดหาดดอนายลูกเมียหายผักค้างผ่อน้ำกว้างสุดตากับดงนาริมฝั่งน้ำตาลังลำไร หาดิงด่งในสะต้อนว่าวิบากรนสังจาติดตัวมาตอบสายเฮร้ อ, รอนไรนันนำอยู่หอคำภาษาใดก้อยกาดไก่กา <c oughs> หาตัวบาบดได้ตันมัดใสแป้ไหลลูกเมียไก่ผาข้างกลางแบกวางวังวนตุกตารุนมากเต้าย้อนเป็นเจ้าเสวยเมือง จิงได้เครื่องมวนไมตุกอยากไรนำนาแม่นเป็นพระเจ้าไพรราดเป็นอามาตคนในจักเครื่องใจร้อนไมเต้าเป็นเต้าใหญ่หรือมี ตุกเครื่องขีเอาร้อนไหลลังคอนต้นกู้คนจุ่มปูโลกลาตุกโซกาดานาสังรมะมเบียดเขายัางบ่อเต้าต้นกู้ใ <c oughs> ยบุญจูโลกด้อยกากาดก้อยหายหุห่นมียเรียมตนผ่าข้างกลางแม่กวางกงกาตั้งสองขาแม่ลูกตุกต้องถูกมาปาน โศกมองผาลายลากหากเกิดจากตนกูจุมสะทูเกิดไกหูแจง้งไข่เล่งหันบ่อตัดฟันือขาดือก่อยกาดสูญหายมันจริงกายเป็นโตอือฮไรโหดเครื่องขี่เจ้าปูรียศใหญ่การิงไข่หลายอันก้อยพายพันเตี้ยวกว่าเอาตังนาเป็นไปก็มีหันและนาะ โสปานาราจาส่วนวัดาญสมมาตรราชออกจากหาดดอนไซก็อแอ่พันภัยเตี้ยวกว่าเอาตั้งนาเป็นไป <c oughs> เหลียบบังส่แม่กวางเตี้ยวแหวดคางดอยจันบุญเคลือวันดันสอดโบุบุญหลอดเฟยบังเก็บเอาอยังลูกไม่กินเลี้ยงใส่ตัวไป คำตีในนอนจอดฮือหิวหอดไม่หายถึงยามง่ายผูกเจ้าก็ไต่เต้าเตียวจอนเรียบสะกอนแม่กว้างใจปั่นกว้างเววุนกึถึงตนดูกน้อยและนางยอดซอยเตวีความเครื่องขีบบ่เหือดร้อนไม่เดือดไปใน ดังหัวใจจากแตกย่อยแล้วแหลกเป็นพงลางเตอลงจอดยังไกลริมฝั่งกงตาเล็งพ่อหาลูกเต่าและนังนอเนาเทวีขอนไม่มีลายแหลาไหลลอยแผ่มากายสั้นตาไมยและพอบ่อใจนอใจเดียวลางเตอเตียวซอสอกตามสะรกหินผา ร้องเรียกหาเสียงไว่บ่อจวบใดแดนใดกอเตี้ยวไปแถมเล่าทาราบต่อเต้าสามวันจริงภายพันไปรอดอยังเจ้ายอดราศีตนมีวัดดีสะอาดจบฉลาทรงยานสร้างสมป้านอยู่ไกลฝั่งน้ำใหญ่กงกาพุ่งลงมาอาบนำเมื่อกไก่ํำยำแรง เต้าจอมแป้งหันแล้วยังตนแก้วระสีปีที่มีบ่อน้อยโศกตุก่อยไม้หายรีบพันภัยเข้าไกนบน้อมไว้วันตาภ <c oughs> าษาผู้เท่าหันเต้าเจ้าหอใจยินสงสัยลายหลากจริงออกปากจะทำด้วยกำงามหลยแหล่เต้าก็แก่ตามมี เจ้าราศีบุญใหญ่มีใจใฝ่คุณนาจริป้าไปสู่ยังที่อยู่อาศรมเก่าพาร่มถามทีฮือเสียงตีสงสัยเ <c oughs> ต้ากอกไขเกาท้อยมีบ่อน้อยลายพากากาดกอบมีฮันเลยนะา ตังสุดตว่าฝ่ายราศีผู้เท่าฟังเต้าเจ้าใคจายินคุณนาะบ่อน่อยจริงตอบทอยกำไปว่าดูราเจ้าห่อใจยดใหญ่ต้นยาได้มองเงาก้ อ, า อ, อยบนเต้ายืนกันยากุดดันใจเตืองความรำเปิงหมดไม่มบห่หอนได้เป็นยา มนุษย์สาหลอกกว้างอันของข้างสงสารสุขตกปานจูผู้บ่เว้นกูยิ่งใจพ่อแม่ตายปัดผาคลูกเมียจากหายนี้ <c oughs> จับหลังตีศอก้าวตกทางเข้าทม ท, อ ง, ทองน้ำตาน้องบ่เหือตรอนไม่เดือดขึ้นวันตกมาปั้นจองห้อยบ่ากาัดก้อยหายนี้ จับลางตีนั่นใสบ่อมนไมมองผ่านสุขสำราญจมจืนอยู่ระรื่นสวยรมความขี่ขมหลายแหล่บ่กแวแวะมาปาน <c oughs> ลางเตือผ่านกันยากตกลำบากเลือใจจุ่มมงยัยหน้าปากอลี่หน้ า, ายฮนีจับลางตี น, นเล่าได้เป็นเจ้าเงินคำ คนน่านำแวดข้างย่อมเก่าอ้างจากใครว่าเป็นใส่ใ่รวมใสตังแต่ไทยเดิมมาคนโลกามวลบูบอ่ออาจอยู่จีรังอาเนจังบ่เตียงหูคำเยียงไปมาคนปาลาหาเท้าอาจใดาเป็นเต้าทรงเมืองเต้าบุญเรื่องยศใหญ่อาจเป็นไพ่เตียวดิน ขอพระดารินยศใหญ่จุงหูไข่าตามมีดูระเจ้ า, าปูรียดเงาดังต้านกาวไครมาเรานีนาโกหัวต้านอยู่ตามธรรม บอกกาตำตอบสายเฮร้ อ, รอนไรคนได้ย้อนกึดใจคำเจ้าว่าวิบากเก่าตัวตันกึดเล้งหันดังนี้ก็แเมนตีตามกองบุญเตียงปองตอบตองเฮ่อปอกห้องปายลุนได้เป็นคุณดังเก่าบอมนเสา์เครื่องขี่เจ้าระสีเก่าแล้วก็อวอเอเต้าตตนแก้วราจา อันเตียวมาหิวหอถื อ, อยังจอตามเปิงกอมีหันและนา้าตาต่อปัญญ า, าแรกแต่นั่นไปไปายนาบอนเดินจ้าหึงนานพระผู้บ้านสมมัตรราชอยู่อาวาดตรงนา ขานิ่งหาบอกแล้วยังนั่ง น, นอแก้วเตวีและสายปูรีนอน้อยว่ากาดก้อยหายหนหรือเป็นคนตั้งกูบัดนี่อยู่แดนใดยินไม่ใจใครพากออกไปจากไรสนเอลเมืองคนน้อยใหญ่เพื่อกซอไซเสแวงหายัางสายตาลูกเต้าและนัง น, นอนเนาเตวี จิงไขว่าตีบอกเล่าเฮือแก่เจ้าจีไพรว่าคาแต่เจ้าสินใสบุญใหญ่ค า, าบ่าไฟใจหาจักเป็นพญ า, าดังเก่าย้อนโศกเศร้าเหลือลายข้าบ่าหมายไฟอ้างจักเป็นเจ้าจัางดังอ้อนตุกอวอนลายลาเกิดมาจากขอคำยศสักนำแต่ใส ซุกกอใหญ่ตัวจอมสุกไหลร้อมหลังเขาตุกกอะเต่าซ้มเบอกันข้าไข่พันก้าพากออกไปจากศาลาเพื่อสแสวงหาลูกเต่าและนั่งนอนเน่าใาสา่ใจข้าจากไปสออใสหื้อเสียงไข่ทานี้ขอเจ้าเจียงจีห ย, ยดซอยจุงจักปล่อยวางไป เจ้าสินใสบุญใหญ่ฟังเต่าไทยไรจากอพิจารณารีภาวเล็งพอดาวแดนไก่หันแจ้งใสทุ่นทีพอมวีตีสังกา <c oughs> จริงใครจาบอกเก่าห้หัวข่าวตามีว่าดูราเจ้าปุรียศใหญ่อันดุกหนอไทยสายเมืองและนางบุญเรืองหนอเน่า งามบ่อเสาราจยยาตั้งสองขาดยอดซอยบ่อกาดกอ้อยหายห่นยังเป็นคนตั้งกู่บัรนี้อยู่แดนไก่แม่นจักไปซอไซบ่จอจบได้เร็วปันบ่ออาจหันด้วยง่ายวิบากไล ย, ยังมีแถมหลายปีปลายนาจริงจักหันลูกลาสายตา และจาะยารวมข้างคอเจ้าจังหอใจจุงอดใจอยู่นี่อย่าฟังลี่นีลาตาภาษาบุญใหญ่จบแจงไข่ถรงญานก็ไขรคานตันกาวเฮตันเต้าลายพากการพระผู้บ้านสมมาตตราดฟังโอกาสกำดี แห่งราศีผูเทาบ่อตันเหล่ากำได้อดอยู่ไปคำเจ้ากับตันเจ้าราศีก็มีฮั่นแล่นะตาตาในกาลนั้นเหล่ายังมียักเทาใจหานเป็นขุนมานยศใหญ่ภาพเสียงไข่ดงนาปักกติมาลวงแลกกันมันเอวดงไคร แล้วพดไปจู่จอตีเจ้ายอดราศีตนวันนีบอ่อเ้ามันยอมเข้าไปหานํำบุพพาดอกซ้อมนบดอบน้อมเอาบุญ <c oughs> ยกยอกุลบ่อผ่อนตั้งแต่ก่อนเมื่อมาวันนั้นนยักเท่าสอดป่าเสาดงตันลวดพดผันไปรอตีเจ้ายอดทรงธทม มันก็นำดอกไม้ไปน้อมไบปูจ้าขาปันตาสามตังแล่อหยอบนั่งเสาแรงยักปากแดงสาบแซวตั้งดังแอวดมหา <c oughs> แล่อพุชชาทำเล่าเสงตันเจ้าราสีวาคาแดเจ้าเจียงจีตีไวขนโลกไตยยิงใจได้ผันัยมาสู่ บัตนี้อยู่เสียในเจ้าสิ้นใสจินจ้อยก็ตอบถอยคุณมานว่าพระผู้บ้านสมมตตราเจา้าผาัสสะปารณีได้พระนีจะคล้องพระเตต้องหอใจลัดดงภยัยมารอดเขายัางจอดสาลาบัตดนีนะตันเตายัางอยู่ดาวไปใน เจ้าสินใสกล่าวแล้วก็เรียกเต้าตนแกวสมมาตัตราจาฮือออกปาติไกเฮือยักษ์ใหญ่เล่งหันยักษ์ดงตันหาเท้าและหันเต้าบุญพาย <c oughs> คืนนำลายอึกอากย้อนไข่ยากเกลือใจคานิ่งในดันสอดว่าเต้านี่ยอดบุญมีมาปาจีบุญใหญ่ตนเจ้าไข่ทรงธทม จิ้นมันลำขนาดกู้บ่ออาจจะกินเหตุเจ้ามีสินตีไว้เอามันไว้รุมราแม่นป้าก่างดงนาเถื่อนทองเตียงเขาต้องตนกู้กำเขาจูหูป่าคบตื่นหลากบัดเดียวยักษ์ดงเขียวป่าเศร้าคนริงเล่าไปมา อาปาใหญ่ยยอดทั่แจงรอดในใจจริงจะไขต้านกาววดูระเตายักษ์าตัานเป็นพญ า, านยศใหญ่ภาพเสียงไข่ดงดานส่วนพระผู้บ้านสมมาตราตเป็นเจ้าภาษาดเวียงใจเดียวมาไก่ลายแล่ตันกวรแพรคุณนาเหตุยักษ์าป่าไม่ริดที่ใหญ่เลือลาย อาจพันธุภายไว้วาดด้วยอากาศไปบนส่วนจุ่มขนหลอกกวางบ่ออาจอ่างเตรียมตันได้แต่พันเตียวไตตามแผ่นไต้ปฐวีมนได้ดีช่วยกล่าวเฮตันเต้านำไปเพื่อปเป็นปัจจัยสองอยู่เอได้อยู่เจอย้านยักดงด้านผู้เท่ายินกำเจ้าจีดง ก้มหัวลงน้อมใบซึ่งเจ้าใหญ่เจียงจี้แล้วไขวาตี้ทำข่าวซึ่งตันเต้าไหลผ า, ากาดพระผู้บ้านสมมาต ร, ราชก็โอกาสจะไขรหืดยักษ์ดงไพรยศใหญ่หูแจ้งไขจู่อั น, อน ยักดองตันหาดเทาได้ยินเต้าไข่จายินคุณนะหลายแลจริงกาวแกจะสอนฮือพระผู้ทอนยศใหญ่หูแจ้งไข่ตามกองแลยนะตามัททังประกาศเส้นตัวศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซ้อยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสานาวายักขราชาตัดสาวาจานังสุดปลาดังนี้เป็นตน้นเภกาเวดูราพิกคุส่งตนทารงสินไสสะอาดเชือนักผาทารงยานส่วนยักษ์ดงดานยดใหญ่ ฟังตาไทยราชาไขาขีญาบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายด้วยปาริย้ายลายแหล่เสียงแก่สังกายินคุณนาลายลาไขออกจากไพรสนไปเบื้องค้นแต่ต้องลงสู่ห้องปาราณสียับเสนาบดีผู้เทากับน้องเจ้านาริน เอามากินเลี้ยงใส่ย้อนบากใบนานำเฮื้อคุณทมผู้ปีใดหลีกลี่เสเมืองคุณยักเคืองบ่หน่อย <c oughs> จริงก่าวถอยใครจะสึงพระยาสมมาตรราชเป็นโอวาทสอนไครวาดูระเจ้าห่อใจยดใหญ่กำแต่ไทยมีมา ว่าจุ้มยักขาหาท้าเป็นไผ่เต้าคุณมารคนสมปานหลายแลเป็นเจ้าแก่เจียงจีเตว่าดาวมีบ่อน้อยเป็นข้าคอยคุณอินคนเตียวดินดั่นใสย่อมเป็นใหญ่ฝูงคนยักษ์ไรสนปากว่างก็เกาอ่างความหมายว่าแม่นคนใจหยดเงาไปเป็นเต้าเมืองมาร บ่อปอนานสักกากบ่อเลือสาขืนมากันยักขาป่าไม้ไปเป็นเต่าไทยเมืองคนความตาร้นร้อนใ่เตียงเกิดควาปุรีแ <c oughs> ม่นหือเจียงจีปากกวางไปอยู่ซางเวียงใจสินจักใสคำเจ้าบ่อหมุนเ้าหรือมียักษ์ดงรีหยดเย้าก็ต้านเก่าเหย้าไป ว่าอยู่เบียงใจใหญ่กว้างเป็นเจ้าจ้างเสวยรมกวัวตกจมบนไม่จุงหือได้ตามกองคนได้ปองเยาร้ายจุงตอบายตันตาคนหึกหน้ากาหยาบจุงคำราบเปลียวปันกวนแต่งฝันหลาบซาหยาได้จ่ารอราเยี่ยวพระจ่าไพราจักไม่มาหนานำ นามปักคำละไว้จ้างปองไกตั้งตนความกังวลบ่หน่อยมันจ่องหอยตัวมาดูราจพญ า, านยศใหญ่ตันหูไข่เดิมตี <c oughs> ว่าเสนาบดีผู้เทากับน้องเจาา้าอาธรรมเมืดมัวดำห้าวหาดไครนั่งภาศาสหอจันตันหูหันต่อนา บ่อรีบคาตัดฟันจริงได้พันก้อยกาจากภาศาตรปุรีเสียเตวีหยอดซอยเสียลูกน้อยใสยใจคนจังไรถอยไรอยา่าเลี้ยงไว้เสียซุม้มคนได้หุม่มหยาบจ้าจุงรีบคาใส่ตันดักำเอาสินทำเฮคนบาปเอาหอกดาบเอเจียงจี เอาแก้วดีกะาใหญ่หือนกไก่มูมาผิดธรรมมาดาแบบเบารอยรียดเก่าเดิมอ้อนเป็นเต้าผู้ทอนส่วยราชอยู่ภาศาสตรปุรีบอดใจเจียงจีบุญใหญ่อยู่ป่าไม้ดงดานคนใดห่านห่านตอบคนใดหนอบหนอบแตามีคนใดดีดีสวายคนใดไร่ไร่สนอง จงเป็นกองท้าวเจา้าตั้งแต่เก้าเดิมมายักดงนาผู้เท่าอันเป็นเจา้ามวลมานก็จะขันเกาท้อย <c oughs> มีบ่อนอ้อยนานาฮือผาญาสมมาตรราทหูแจ้งขวาดทันหนแล้วสอนมนภาเสดมีคุณเลิศหลายอัน คือเจ้าหอดจันยดใหญ่จำจื้อไว้นำไปตามกำเจ้าไข่บอกเล่าแห่งตันเจ้าราศีแล้วลานีขึ้นสู่ญตี้อยู่แห่งตนแลยนะต่อปารังเบืองนาแต่นั่นเจ้าเจียงจันทสมัตตราชาอยู่ศาลาป่าเศร้ากับตันเจ้าราศี ปฏิบัติดีเจ้าคำคือตักน้ำดังไฟแอลดวงไพรตีไกเสาะลูกไม้หัวมันใจยังพันกึตรอทาอยัางยอดเตวี <c oughs> และสายสรีลูกไทยบ่อเว้นไว้วันใดส่วนยักษ์ดวงไพรผู้เทาอันเป็นเจ้ายักษ์ขา กันไก่กาจากหองลาเถื่อนทองดองด้านกินกวางฟ้านแรดสูจากปอกสูเหือนมันก็ไผ่พันมาไวเจ้าบนใหญ่ราศีไขวาตีต้านก่ากับตันเต้าราจามีปีญนาอ่วงคลองดังปีน้องวงใหญ่ กันตาวันใสดาคำจักตกต่ำจนตาจริงจักลาคืนสูญยังตี้อยู่แดนมันเป็นนิรันจะใจบ่เว้นไว้เขาใดกอบิฮันและนาะสโโอราจาส่วนพระญาสมมติราชอยู่อาวาต ด, ดงไพยกับเจ้าสินใสตีไวสองปีไขมีมา ยินเครื่องกาลายลาไข่ดีจากไพรสนไปเมืองคนเตต้องแอวไขห้องปาราเพื่อกแสวงหาลูกเท่าและ น, นังดอเนาเตวีจินไข่วาตีบอกเล่าเฮือแก่เจ้าทารงยานเจ้าสินเจียงคานบุญใหญ่หูแจงไข่ในใจว่าเจ้าห่อใจสมมตตราต ดาเสียงขาดเว้นหลังข้างเหลือยังแต่น้อยกวรวางปล่อยปันไปตามกำไร่างก่อนหากจักสนน้ำปา <c oughs> จรจักจะาบอกเล่าว่าแม่นเต้าเจ้าปุริจักล้านีเทือนทองไปสู่ห้องเวียงใจจุงตามใจกึดขวาดเราอนุญาตป้งปัน กานจะผันไต่เต้าดันป่าเสาไพรสนตั้งเตี้ยวห่นไก่โหดลายรอยหยดกะนนั้าจุงรอร้าอยู่ทาแเม่นยักกาคุณมานแอวดงด้านดันสอดเข้ามารอดสาลาดังตั้งวันมาก่อนกี่เราจักจี้คับจำเฮอมันนำตันเต้าไปสู่ดาวเมืองคนแหลนาะ สุรจันวาภาญยาสมมติราดฟังถอยวาตราสีมีใจดีบ่อนยบ่ตานถอยกำไดแต่นั่นไปไปนาบ่เดินจ้าเจ็ดวันยักดงตันเตียวสอดพดมารอดสาลาเข้าไปสากมเก่าไว้ส่งเจ้าราสี จาเจียงจีนยอดซอยจริงตานถอยไข่คานฮือคุณมันผู้เทาหูเงินเก้าขีญยาวา่าดูรานักขานยอดใหญ่ <c oughs> บัดนี้ตาวไทยหอใจยินไม่ใจไขรภากออกไปจากไร่สนไปเมืองคน้นแต่ต้องแอวไข่ห้องปารา ต่านจุงป้าเอาเต้ า, าไปสู่ดาวเมืองคนแล้วรีบหลนปิกปอกวายหน้าออกขึ้นมายักดงนาผู้เท่าฟังคำเจ้ารา ส, สีจิงไขว่าตีตอบทอยว่าข้าหมดอ น, น้อยอาสานำผาญาหยดย า, าวไปสู่ดาวเมืองคนตามใจตนเต้ตาไทายจักมักไฟเพื้องใจ บอกว่าไก่หรือไก่ตามเจ้าตีไว้ปงปันยักดงตันหาเทา้ากอกาวสึงเต้าสมมตัดราจาว่าาธานาไฟคลองจักไปห้องเบื้องใดเจ้าหอใจสมมตตรราชก่อโอกาสไรขาดเอคุณมันผู้เท่างเงินเก้าเจตานาะ ว่าจากไปปาราต่างดาวเวนเขต่าวปารานาสีอันเป็นปุรีเก่าคาบอ้ อ, อยนาไปจูคงจุ่มปูใหญ่กว้างบ่ออาอังกันน า, นา <c oughs> เมืองป่าราหน้อยใหญ่มีบ่อไร่เดือลายใจข้าหมายเตี้ยวสอดพับควายรอดเมืองใจจุงตามใจเต้าเจ้าจักกึดเหล่าเล่งหันนำข้าพันจากคลองไปสู่ต้องเมืองคนแลหล่นตั้งสุดว่าพัญยญักผู้เท่าอันเป็นเก่ามวนมาน ฟังกำคานโอกาสแห่งสมมตตรารเจ้าก็ฮือดารีพาวจักออกดาวดองตันเจ้าหอฉันยอดใหญ่กอนนำดอกไม้บุพพามาขอาะามน้อมไหวสงเจ้าบุญใหญ่ราศีขอเจียงจี้ภ่โพดก้นเวนโตดนานา ตาภาษาบุญกว้างก็เกาอ่างกำปอนหือเต้าผู้ทอนยศใหญ่สมใจไฟมโนไนพระใส่ใจลูกน้อยและนางยอดซอยเตวีเจ้าปุริส ม, มตัตตราณน้อมอภิวาจาหนแล้วย่ายตนกาะพากออกมาจากสาลายักดงนาผู้เทา ก่ป่าเจ้าหอใจสันยองไว้วาวาดขึ้นอากาศไปบนปนไพรสนป่าไม้ปนดอยใหญ่ผ้าจันยามตะวันต่ำก้อยลับดอยน้อยเข่าเขียวยักไปเร็วบอจอดบุญดันหลอดเมฆาเดือนพดมาแจ้งส่องดาวไข่หองจักราวาล ยักคุณม้านบ่อผ่อนบ่อหัวอ่อนรวยแรงกำลังแข่งใจจ้าบุกบนฟ้าเร็วไว้สั้นยองไปรีพาวเปืือนำเตา้าบญมีปนดงรีเถือนทองไปรอทองเมืองคนบ่อถอยหุนหิวหอดบ่ลงจอดแดนใดก็มีวันนั้นแนนะ่นา เนตที่ตั้งขีญยาสังวันนานาวิเศษจ่าห้องเหตุนาเข่าคำผูกสิบเอ็ดยังบ่อเซ็จเมียนจอดบ่อถึงยอดสุดปลายจักจะาลายนักกว่าหันปู่ป้าเอาอาปีนไปมาหลายตั้งจริงจักยังเป็นข้าวก่อบังคมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนและ